ภาษาญี่ปุ่นทํางานพักอยู่ข้างไหนข้างหลังโต้งคงจะเป็นเวลาแล้วดูรลอยู่ข้าพขงพวกเขาคิดตะปูถํสขขาสุกระขาตาคือก็คือถ้มสุกรขาตานั่นเองสุกระก็แฟว่าสุกรนกโ ข, ขมันบอกว่าถ้มหมู ด, ดุดแลนกโ ข, ขมันนี่สิงใดชอบพอใจแล้วเราชอบใจสิ่งนะั้นริงใดพอใจก็พอ เราชอบใจสิ่งนั่นบางสิ่งหรือบางอย่างอย่างนี้ถามไปตอบถามไปถ้าอย่างนั้นความเห็นก็ไม่ถูกกัดขันไม่เป็นการกความเห็นอไรอย่างนี้จนไปถึงข้อบวาาานมัสสาราเทศขั้นห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารมียามมาเชื่อเกิดเชนนั้นกาแฟตัวแต่สงาสา่าดุจหัวผีเธอจงพิจารณาให้รู้จักมันกนซักโดยพระสารีบุตรอยู่ข้างหลังทํา ง, งานซัดเอาพระาหารไปกินแล้ว วันท่านผู้ต่อหน้าของที่ขณะกขิเวพขณพุทธ ต, ต่อหน้าพระบ ร, รมสาสีรกาก็ได้เพียงพระตัวดาวันเท่านั้นนั่นกันเทศกันเดียวคนหนึ่งฟังถึงพระลหันเนี่ยคนหนึ่งฟังพอถึงพระตัดาวันบางคนไปฟังก็ลงสู่นรกพระเพ่งโทษของพระรมศาสีราเหตุนั้นจึงว่ากันเทศกันเดียวกันผู้หนึ่งถึงใจสนาคมผู้หนึ่งถึงพระโสดาวันผู้หนึ่งถึงพระรหันผู้หนึ่งศาสนาเป็นพระพร์เจ้าสมมาเจพระพิฆเจ้าก็มี ผู้หนึ่งถึงสักการะมีผู้หนึ่งถึงอนาคารามีก็มีทั่วไปนะเราต้องมก็เพราะจุดสูสังและสติปัญญาฟังไม่ดีไม่มีปัญญาจุดสูสังและสติปัญญาฟังเดื่อดียอมได้ปัญญาขาดจากการฟังไม่ไดาพเพระพะเจก็ก็ฟังเหมือนกันฟังเขาตาข้าวอยู่ในว่าเวลาข้าดอกบัวบาน เวลาสาวันตะวันสาหยันตะวันหยินดอกมัวก็เนเดียระพเจดก็น้อมพิจารณาอนิจจังทุกขังอาแต่ท่านก็สำเร็จเป็นพระพเจดไปสักเนี่ยเขาตามข้าวอยู่พอเขาเน่ท่านเอาไปพิจารณาหลวงพระบาเนี่ยของท่านเสร็จมาแล้วท่านมาหลังชาติแล้วบางท่านก่อนเะโชและนางและจังธนติก็สาเร็จ ปฏ่สัมมิาสีด้วยพรพาธาตุเฮี้ยเป็นกระจกรูปเป็นกจกตาเห็นเนี่ยก็คือแตกแขนเนี่ยเป็นสัมมิาสีด้วยพระขยายความยอดให้พิจารณาก็ได้ยน่นความยอดความิจารณมาให้เป็นหนึ่งก็ได้แปดมเนิร์สีพระธรมมสันท่านก็ยน่นออกมาเป็นหนึ่งได้คาหมดเดียวท่านก็ขยายออกคแปดโมเดิร์นพระธรมมสันได้พบ ท, ทองาออคาเดียวก็ขยายออกคบแปดโมเด่พระธรมมสันคำโมคาเดียวก็ ครบแปดเงินชีพสัมมาสัันธ์ั้นโขกชั้นอยากบอกครบแปดเงินชีพสัมมาสันธ์ขยายออกได้ย้นลงมาก็ย้นลงมาเป็นหนึ่งที่ใจศีนจะมีกี่มากสักเทียงไหนก็ตามย่อนลงมาเอกสีในปัจจุบันสมาธิจะมีกี่มากก็ตามแล้วย่อนลงมาเป็นเอกสมาธิในปัจจุบันปัญญาจะมีเท่าไหรก็ย่อนลงมาเอกปัญญาในปัจจุบันเอ้าชันท้าควใจรับใช้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยาเพียร์หวานประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตต์เอาใจฟักไปในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ไม่มังสามันสืบกออที่จงานเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสียานี่มีมูแล้วอาจักนำบุนคคลในสิ่งที่ต้อ ง, อ ง, งเมเสรมอย่างนี้ไปทบัตความความหยัความสาม ส, สียาทีนี้พระคือทำกำไรกำลังห้าอย่างคือเป็นเชี่ยบห้าทีเดียวเป็นกาลังห้าอย่างกินที่ห้าก็เรียว่าเป็นใหญ่ในจิตธุระของตนศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยเพื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สติและทุกข้ในกรมรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งนั่นในกรรมฐานที่ตั้งไ่้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ญญวกตกลงรัพพาวิริยะจิตตะสมาธิปัญญาสัพพะวิ ร, eso, ริยะสติสมาธิปัญญารวมลงเป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่รวงนใจในปัจจุบันแปบดบมื่นขีพระธรรมขันธ์กรวมลงมาเป็นเอจตะไกลคิดขารวมในปัจจุบันรวมให้ใจเข้าอย่างนี้ ยนรร่นแปดหมืนคือเขาทำอาคารนี้ลงมาได้ขยายออกก็ได้มันขึ้นอยู่กับปัญญาแต่ละลายของหมก่คนถ้กรทุกยะลงมาเอกระทุกส้ากระเด็นจนลงมาหาเอก ะ, กะดนนเกะดนนับไม่เห็นจะตายจะสร้ามหาสมุทรจะนับยังไงภาษาทีบทท่านสามารถนับได้นับไม่เห็นจะตายในสร้มหาสมุทร มัดหน้าเม็ดน้าก็สามารถนับได้ฝนตกอยู่ที่ใดก็รับได้ตลอนหน้ามหาสมุทรทะเลก็นับได้นับเป็นเม็ดก็นับได้นับกระจายออกไปนับได้ลมพัดที่ไหนก็รับได้นับได้ไฟธาตุไฟอบอุ่นอยู่ที่ไหนก็นับได้คือส่งนับะังไงนับเป็นฝ่ายสังขโหสงพระลงมาสังขโหไม่สังะขยายออกสังขโหอสังขโหแปลวไม่สังะ ฐานสมงแปลาสองข้อลงมาเอา้ทาธาตอันใดมีลักษณะแข็งแข็งถ้ทานั้นเป็นพุทวีาปพทวีภานั่นคือเป็นทาไงไคือสมุนลึกันน้งเงินกระดูกยานกระดูมากหัวใจสภานปุยไตปลอดสอ่ไได้น้อย อ, อาหารใหม่อาหารเก่าธาตุอันใดมีลักษณะเอืบอาบ้านั้นเป็นอาโปธาตุอาโปธาตุนันคือเป็นทางคือมีเส็จน้ำเเงืนมัน้นน้ตาเปลี่ยนน้ำลายน้าหกน้ำข้อข้อน้าหกธาตุอันใดมีลักษณะเอ่อ า, า, อ า, านั้นเป็นเตโิธา ใจโยธาดังนั้นคือเป็นภายในคือไฟที่ยางกายให้อบอุน่นไฟที่ยังกายให้สดชื่นไฟที่ยังกายให้สว่างไสวไฟที่เสาอาหารให้ร้อยธาตุอันใดมีลักษณะพัดไปมาท้านั้นเป็นวาโยธาวาโยธาดังนั้นคือเป็นภายในคือลมพัดขึ้นบางบนลมกระโดดบางต่ำลงในช้องลองในไร้ลมพัดใส่ตามตัวรมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ท่านยนต์ลงมาเป็นเอท่านลงมาเป็นปัจจักรั น, นเมื่อปัจจตันชัดแล้วในปัจจุบันที่น้องลงมาชัดแล้วน้ระตาบได้ แม่เรามีที้ยวเด็ดเาภูเขาจะประกอบได้มนัม่งมปเห็นแม่ทรายดูสิในเท่ามหาสมุทรสิ่งที่เป็นของแข็งมีลักษณะแข็งแข็งก็จัดเป็นธาตุดินอันนี้ก็จัดเป็นธาตุดินเหมือนกันอันนี้ก็จัดเป็นธาตุดินเหมือนกันนี่ก็จัดเป็นธาตุดินเหมือนกันผลผลิตภายในก็ธาตุดินภายในก็จัดเป็นธาตุดินเหมือนกันแล้วก็นับได้เหมือนกันในใจโลกธาตุไมีแต่ดินนับได้เห็นแม่ทรายดูสิ ก็ไม่ว่าแต่นับไม่ถี่ไม่สั้นต้นไม้พระยาวงานี้ปรจัดเป็นธาตุดินมันหนังพราะเป็นของแข็งเอกภพเทวธาตุหนึ่งดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมจะมีมากสักเพียงไหนก็าตามย่นลงมาเป็นหนึ่งธาต่สาาตามภาษาไปดูก่อนเอกภพเทวธาตุหนึ่งดินเอกะอาโปธาตุหนึ่งน้ำเอกตะเอโทธาตุหนึ่งไฟ เอะวายโยธาอย่างลงมันก็สําเร็จเท่านั้นจะว่าเขานับผิดมันก็ไม่ถูกถ้าจะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงอสมไขผู้นักก็พีบ้าผู้เป็นกรรมการฟังก็ผีบ้ากี่วันมันจึงจะเสร็จนั่นถูกไหมเอ้าเราจะนับถึงกี่รล่านก็าตามหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะถ้าย้อนลงมาก็ย้อนลงมาหาลักหน่วยใช่ไหมนั่นนั่นนั่นันนนน่ถ้าไปทุกย้อนลงมาหาอีกใจประทุก เมื่อเห็นเอกุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นอ น, นิจจังชัดในปัจจุบันอ น, นิจจังในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นอนัตตาชัดในปัจจุบันอนัตตาในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยถ้าสงสัยอยู่ก็เรียกว่าเห็นตามสัญญาไม่ชัดเป็นปัจักกะสรือิศใช่ไหมนั่นถ้าอย่างนั้นก็มันมีใครจะข้ามความสงสัยของต น, นไปได้พูดมากก็มากอกอกไปจากใจ ย่นลงมาเขาย่นมาหาใจใช่ไหมออกไปจากเัตสีสังขารออกไปจากจิตตสังขารใช่ไหมยย่นลงมาเขาย่นมาหานี่ถ้ารู้อันนี้ละอันขยายออกทําไมจะไม่รู้เหตนนั้นท่านจึงให้เอาพ พ, พยานเอตในปัจจุบันเป็นพยานพยานอาดีตอนาคตมันเป็นพยานหาพยานจ้างไม่ดีอดีตล่วงไปแล้วมีแต่บัญชีมีเงินก็หมดไปแล้ว อนาคตเงินก็ยังไม่มีมีแต่บัญชีปัจจุบันมีทั้งตัวเงินมีทั้งหนังทั้งเขาด้วยใช่ไหมเห็นฉะนั้นจะเอาปัจจุบันเป็นพยานเป็นพยานเองอดีตคืออะไรอดีตคือจิตที่ร่องไปแล้วอนาคตคือจิตที่ยัง ม, มาถึงใครเป็นผู้เหนี่ยวอดีตมาพิจารกก็ปัจจุบันนั่นเอ ง, เองใครเป็นผู้เหนี่ยวอนาคตมาพิจารณา ก็ผู้ปัจจุบันเองแต่ปัจจุบันไม่ชวนดูตนไม่รู้จวนเฉยแต่ใครเป็นเจ้าของปัจจุบันก็ปัจจุบันมาเป็นแต่สายผปัจจุบันใครเป็นเจ้าของอดีตใครเป็นเจ้าของอนาคตใครเป็นเจ้าของสังขารใครเป็นเจ้าของไม่สังขารตกลงก็เป็นสักเตธรร ม, มาอนุตตรากามเลยเช่นภูเขาใครตกมาก็บอกว่าภูเขาภูเขาไม่รู้ว่าภูใครเช่นพวกเราต่าคัดคัคไม่ใครไม่รู้ว่าใครเป็นคัด คัดคัดจะฆ่าจะผ้าไม่ใครว่าไม่รู้ว่าใครเป็นจะฆ้าสมมุติกันตามจริงของสมมุติจะคัดค้านไม่ได้แต่สมมุติว่าสังขารมันเป็นของเกิดดับแต่คําสมมุติเราพันธุพานมันแค่เกิดแค่เราแต่รถของพันธุพานไม่ใช่สมมุตริรถของความเกิดความดับก็ไม่ใช่สมมุติอีก สมมุติกรรมจริงของสมมติโรยมุตกรรมจริงของถ้าว่าคํำพระ涅槃ไม่ใช่สมมตินิพพานในพันในพันในพันเราก็พูดได้เหมือนกันแต่ว่ารสของพระ涅槃ไม่ได้ดื่มใช่ไหมเช่นพระอรหันต์อย่างนี้อรหันตรันเราก็พูดได้แต่รสชาติของพระอรหันต์มันเป็นอย่างหนึ่งรสชาติที่ไม่มีรสไม่ปวดไม่หลงถูกัหมเนี่ยทั้นพอเรามาศาสนาเป็นต่อยให้เป็นสามทิศิโกลงโอเห็นเอง ให้มีสิทธิ์เห็นเองเถิดเพราะพุทธศาสนายึงเป็นพระพุทธศาสนาที่ไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างมาให้นับถือให้มีสิตธิเห็นเองถ้าจ้างให้มามานับถือแมันพอหมดเครื่องจ้างมันก็ขบุดคืนใช่ไหมมันไม่เห็นเองเช่นเราไปถามพระบรมศาเจ้าพระบรมศาสลาเกลือเข็มขนาดไหน่ะเออเธอมีหิตเธอก็ต้องกินดูหรือกิน ด, ดู ถ้าเธอคิดดูกิน ด, ดูแลจะหายสงสัยถามจะถามวัดคิดดูกิน ด, ดูแล้วรถเขมันเป็นยังไงบอกมาสิแล้วก็บอกครับพระพุทศาสนาทำถูกแล้วปล่อยให้มีอิสระรับสังลายอยู่ตามอิสระของตนทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชัว่วจับรูตัวดูไมมดูตัวไม่เป็นฝาา แต่สอนให้มีอิสระในทางเตนดียาม่อิสระในทางทำชั่วนี่ทำดีก็ทําให้เธอเองเธออะไรเธอใจของเธ อ, อนัเองทำชั่วพ็าทาให้เธอเองก็เธอใครเป็นเธอเนี่ยก็คือใจตามสมมติจะปฏิเสธไม่ได้ทำดีก็ไปบวกตีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้บวกเพียสร้างอากาศถ้าว่าพราะพุทธเจ้าสร้างขึ้นก็มีคําแข็งอีิจฉนกัน พระพุทธ เ, เจ้าสร้างขึ้นเป็นคนชั่ตจำทําไมพระพุทธ เ, เจ้าสร้างขึ้นมาให้ตายง่ายทําไมพระพุทธ เ, เจ้าสร้างโรคปากขนาตปากขอมาทําไมพระพุทธ เ, เจ้าสร้างเสียมาให้กัดคนทําไมเป็นม้าหรือมันก็คาเขาเสียถูกไหมพระพุทธ เ, เจ้าบอก ว, ว่าเธอทั้งหลายสร้างขึ้นกัมมุนาวัตติโลภุสัตโลกเป็นไปตามกรรมนั่นเองเราจะาคาดทำามจะสร้าง ชาติของใครของมันกรรมและผลของกรรมตามตามสนองเธออยู่ทุกปีญาติเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาก็คง ม, มาตราเหตุใจใ น, นที่รู้ตัวผลของใจอันนั้นนํามาโดยรู้ตัวเหตุใจที่ไม่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นํามาโดยไม่รู้ตัวมัดจิตมัดใจก็มัวเดินโค้งย่อไกลจากเหตุและผลอันเป็นความรู้เฉพาะนตนก็ย่ อ, ยอได้วนอยู่ชิ่นการงานถูกไหม ส่วนทหารท่านพ้นไปจากเหตุผลแล้วเสร่าปัจมัคเสร่าปัจฉผลจป็เหตุผลเชื่อมโยงกันสักคาคมัคสักคาครผลเหตุผลเชื่อมโยงกันอนณาคายมัคอนาคายผลเป็เหตุผลเชื่อมโยงกันสักคาคามัคสักคาคายผลเกิดโยงกันเหมือนกันอาณาคายมัคอนณาคายผลก็โยงกันบือนกันอรหัตตะมัคส่วนอรหัตตะผลเป็ น, นผลขาดตอนแล้ว ไม่ยอมมาหาอดัตตะมัดเหตุฉะนั้นจึงว่าท่านพระหัต์ท่านทรงเหนือเหตุเหนือผลเหนือกรรมและผลของกรรมไปแล้วถึงกรรมจะตามไปถึงก็ไม่ถึงจิตใจท่านเช่นพระโมกขลาถูกเขาฆ่าอย่างนี้ก็ไปถูกแต่ขันห้าแต่จิตใจแลัทธมะของท่านสูงกว่าขันห้าไปแล้ว มันก็ไม่ถึงใช่ไหมเพราะเวรกรรมมันตามถึงอยู่แต่ในโลกเนี่ยผู้จิตใจออกนอกโลกแล้วมันไม่ถึงเพราะเป็นธรรมอันไม่ตายแล้วใช่ไหมแต่พวกเรามันตามมามันก็ได้ทั้งหนังทั้งเขาเพราะเกศจังหวดใช่ไหมฮะอนัตตาที่ไม่เกิดไม่ดับเสียแล้วอพระอรหันทร์ส่วนต่ากระนั้นลงมาเป็นอนัตตาที่เกิดที่ดับ และมีกิเลสสัมประยุทธ์ด้วยถึงแม้จะเป็นอัตตาก็เป็นอัตตาที่มีกิเลสสัมประยุทธ์ด้วยส่วนพระนัหันจะว่าอัตตาหรืออนัตตาหรือว่าอะไรก็ไม่มีพิษใช่ไหมเออไม่มีพิษแต่ว่ายังไงก็ไม่มีพิษทีนี้หน้ามไม่มีตะกอนจะคว้างไปไหนตะกอนก็ไม่มีใช่ไหมหน้า ม, มาพร้าวลิ้งไปกลิ้งมามันไม่มีตะกอน ขึ้ไปขึ้นมาก็ตามอยู่นิ่งๆ ก, ก, ก็ตามมันก็ไม่ไม่มีตะกอนนกเินอากาศจะบินมันวันยังค่ํามันก็มามีรอยใช่ไหมมีเสียน้ำวันยังค่าก็ไม่มีรอยใช่ไหมนั่นท่านทุกคนไปในสักเกตท่าปู่ไม่ยึดถืออะไรใด ใ, ในโลกพระบาทก็เว่นพอแล้วบุญก็สร้างพอแล้วอะไรก็สร้างพอแล้วก็เหนื้อเหตุเนื้อผลไปพบเมืองพอแล้ว เมื่อต้องการไม่มีเสียแลวกรรมมาพอแล้วระวางพอแล้วการเสียไม่มีการลบก็ไม่มีการได้ไม่มีการเสียก็ไม่มีการเกิดไม่มีการตายก็ไม่มีมมใช่ไหมนะอยู่ฝากไปแล้วพวกคนไปวพวกเามันยังยังใช้อานาจของกิเลสกิเลสมันบอกว่าไส้หันขวานกันมาหาหันขวานกันมามันขีคออยู่กิเลสขยาว มีขอและนาวมีขอสับตรงอปอตีขอลงเลยป้ายป้าเฮาเฮาเาเามีหรือไม่มีท่านก็พูดตามชาวโลกเขาใช้เฉยเอาบาดเรามาอานวนเอ๋ยก็ว่าตามชาวโลกโเฉยๆใจที้เหร่ไม่มีมันก็ไม่มีพิษ อย่าคิเองเครื่องยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาแท้ๆไม่มีต่อพูดตามสมมติจริงๆอนอนเอ๋ยอนนามาให้ดราดื่มเราก็หายน้ำนักพู่ผ้าสังขาติดลงให้เป็นสีชั้นให้ทบผ้าสังขาติลงทบลงมามันติดเป็นสี่ชั้นผ้าสังขเพราะมันสองชั้นทบแล้วก็เป็นสี่ชั้นเราจะนอนเองตายสักหน่อยอานอนเอ๋ยเราก็หายน้ำนักจงไปตักน้ำมาให้เราดื่มเถิด อ, อนอนเอ๋ย น้ามันขุ่นเขาจะผ้าเกลียนไปนี่ห้าร้อยเล่มเออเธออย่าคัดค้านไปดูดูแล้วแค่ก่อดพอไปแล้วน้ากอดใสแก้วเถ็งเอามาให้พระบรมาสารีรามโดยใจความก็บอกว่าอนัตตาดอกอานอนท์เอ๋ยไม่ไม่เห็นว่าน้ำดอกอย่างนี้พระอานอนท์ก็ไม่รู้จักความหมายเขาค่ายเับว่าอานอนท์เอ๋ยรถคันนี้มันเดินทางมา หน้าของมันก็แห้งแล้วเครื่องเขาก็มันก็ร้อนอ <S <S พักมันชักหน่อยเชื้อก่อนเถอิดรถคันนี้เอาหน้านมาใส่มันสักพักเครื่องมันเชื้อก่อนเครื่องมันรอนคล้ายๆกับว่ายอย่างไรแต่ใช่จะว่า ad ad ok, อ, น он, อ, ай, อนัตตาดอกอนรเอ๋อนัตตาดอกอนัตตาดอกนี้พระอนรก็ไม่รู้จกักความหมายเนยพราะอนร์เ็เพียงเป็นเพียงข้าวสารวันเท่านั้ น, <S <S <S นท่านก็พูดตามสมมติควายท่านก็ว่าเป็นกวายท่านก็ว่ากวายเหมือนกันวัวท่านก็ว่าวัวเหมือนกัน แต่ว่าเมื่อท่านวัวท่านพูดว่าวัวก็ไม่ใช่ท่านจะเป็นวัวถ้าท่านพูดว่าควายก็ไม่ใช่ท่านจะเป็นควายแล้วก็พูดท่านก็พูดตามสมมติเขาให้เรารู้จักเฉยเฉยอาจารย์แท้สมมุติท่านก็ไม่ติดแล้วทําไมจริงจะปฏิบัติมุติอีกมุติท่านก็ไม่ติดถ้าติดมุตอยู่ก็มีโอหังมังคารโออย่างนั้นกันละก็มีชิกิมานะเองแล้วรู้มุติตามจริงของมุติเรารู้สมมุติตามจริงของสมมติแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนขั้งสอง เราลู่ตามเป็นจริงและเราความไม่ติดถ้าหากว่าเราติดอยู่างไรสมมติว่าเทียกว่าเรารู้ไม่รู้สมมติถ้าหากว่าเราติดอยู่างไรสมมติว่เทียกว่าเราไม่รู้สมมุติเราไม่ติดทั้งสองเหตุฉะนั้นเราจึงยืนยันว่าเรารู้สมมุติตามเป็นจริงของสมมุติเรารู้สมมติตามเป็นจริงของสมมติสมมติสิ่งไหนที่เป็นจริงยืนยันอยู่มันก็มาเป็นอุปทานสิ่งไหนที่ไม่จริงยืนยันมันก็ยิ่งเพิ่มอุปทานทานครับเข้าใจนะ นี่พระตห้ามาให้พ <K> ูดแล้วเนี่ยแล้พรโคำว่ามี้ว่าัวทายัณตาเราะวาใชตัาเรนมัติกัรโตนิพูโตจตองเาะว่าสัพพติโยวัตันตัปโรโกมนัตวเทพราะว่าตนราโยสุีขาโยโอนวตาิีนิสานังวชาปัาโยสัจารูตธมวาตันติอายุวันโทุกคั้งด้วยเนี่ยเขาพูดศาสนาอโท้ามมีประมาอโศพระควทข้ามมีประมาณไม่ระงอ์ในเจากาด้วยไม่ขึ้นอยู่กับพูรู้ะไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับพู้เี่อะไรไม่เช และคนน้นเอยู่ทุกทุกาเอกว่ามันเป็นดังนี้ของเราทางหาทุกคนหน้าชอบทางใจโรกา้องประสบจากความสุขความเจริญนะพ่อแล้วกจส่งาเขาต้องมาเขาะ้านี่ยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบในปัจจุบันน่ะจิตปัจจุบันนะทอยู่ทุกเมื่อไม่ีประมาณโดยอ่พหน้ากล่วงไปแล้วร่วงไปแล้วร่วงไปแล้วมันเป็นสาขาคําโพดมันร่วงไปแล้วมันร่วงไปแล้วมันร่วงไปแล้วเนี่ย นึกคิดก็ล่วงไปแล้วนึกคิดก็ล่วงไปแล้วอะไรก็ล่วงไปอะไรก็ล่วงไปอยู่ซึ่งหน้ามดอยู่ซึ่งหน้ามดหน้าเธอหน้าอะไรหน้าสติหน้าปัญญาถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่รู้แต่ว่ามันล่วงไปทุกสิ่งทุกอย่างล่วงไปหมด่ะหายใจเกาออกกล่วงไปพิษผมพิษตาก็ล่วงไปเหมือนกันแล้วค่าแดงขัวยอย่างนี้ก็ล่วงไปเหมือนกันมันก็ล่วงไปเหมือนกัน นึกขึ้นแล้วก็พูกก็ล่วงไปเหมือนกันสิ่งไหนไม่ร่วงไม่มีในโลกอันนี้คืออันนี้จังคือทุกครังอนุตตาอยู่ในตัวด้วยใช่ไหมนั่นใครจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็ไม่เป็นปัญหามันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแต่ชาวโลกชาวโลกก็มาแยกแดดแยกลมกันขังขังขังกูขังมึงอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตกลงมาพันหน้ามาเป็นตัวฮะ มันเล็กเองมันแล้วสิ่งไหนเราไม่ได้สมมติให้มันเกิดดับมันเกิดดับเองแล้วเราจะไปสมมุติให้มันเกิดเราจะไปสมมติให้มันดับก็เรียกว่าไม่รู้จักความเกิดความดับมันเกิดเองมันดับเองมันเราร pues so, ู้ตามมันจริงเท่นั้นมันเป็นไปแล้วเราไปสมมุต uh, yes. ิให้มันเกิดเป็นดับมันก็ไม่ถูกเราก็รู้ตามมันจริงของมันเฉยเฉยไม่ใช่เราไปทําให้มันเกิดเปนดับถูกไหมมันเป็นไปอย่างนั้นเราไปสมมุติให้มันเกิดไปดับมันก็ไม่ถูกมันเกิดดับเองมัน มันร่วงไปแล้วมันคุณร่วงไปเราไม่ได้เชื่อเชื่ให้มันร่วงไปเราไม่ได้เชื่อเชื่ให้มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับเองเพราะเราไม่มีอยู่ในที่นั้นจะไปเชื่อเชื่อะไรอีกนไม่มีผลเราจะหวังเอาผลอะไรเราไม่มีในปัจจุบันหรือเป็นบ้าหรือนั่นเราไม่มีในปัจจุบันจะหวังเอาผลอะไรอีกบ้าจริงๆเราถูกไ้มฮึถูกไหมไม่ถือผลในปัจจุบันและไม่ทันปัจจุบัน คำว่าเราไม่มีเราจะแทรกซ้ว่าอะไรอีกทุกอันนี้มันเป็นสังขารเออเป็นสังขารใครปฏิบัติเพื่อปรญจุกก็สังขารเท่านั้นปฏิบัติเพื่อผลทุกใครเป็นผู้เสวยสังขารก็สังขารเท่านั้นเสวยสังขารใครเป็นผู้เสวยพระเนปานก็พระเนพานเท่านั้นเสวยพระเนปานสังขารจะไปเสวยพระเนปานวาอะไรได้พระเนพานจะ มาไะไทีทีเรียกกำสาขาอะไรได้มันอยู่คนละเรื่องแล้วถูกไหมไปสินไหมไมอย่างทอะไกทึกทําตัดกัดช่อใช่ไหมเ้อทะตัดกัดช่ใช่ไหมทำอะกทึกไม่ใช่ทะ tham ă cái t h c h a m n cái h ứ c phải m thế này mai h á n g này còn gì ờ m a vẽ h ì ảnh r i ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ วันเ ท, า อ, า, า, า, นเทาอยู่ตามภาษาสังหารบันเทาอยู่ตามภาษาสังสาวแต่บันเทาเพื่อจะตายแค้าตายมาแกงเพียบกว่าแล้วมาสุดขั้วเนาะเอาอย่างว่าไม่เครียดหลับในทุกมันมีทุกมันจึงเครียดหลับในทุกถ้าไม่ทุกก็ไม่เครียดหลบับ เขาไปหาทางจะออกทุกทุกมีการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกจึงมีสุกมีการปฏิบัติเพื่อสุกจึงมีคือพระนิพานทุกมีการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกจึงมีคือไตรโลกธาสุขมีในพระนภพานการปฏิบัติไปพระนิพานเป็นมีวิชาปฏิบัติไปพระนิพพานจะไปทาง ไปทางไกลสิขาเสียงสมาธิปัญญา ไ, ไปพรนิพานจะไปทางไหนไปทางจิตใจที่ทำถูกอยู่ในวัฏฏะสงสารใครพาอยู่ก็จิตใจที่มีกิเลสพาอยู่ <c oughs> ไปพรนิพาน <c oughs> ก็ไล่กิเลสออกมาให้เป็นกิเเป็นหัวหน้าเอาเสียงสมาธิปัญญาเป็นหัวหน้า ตรทิขาบอกว่าตรทิขารวมพลที่จิตใจสู่สินสมาธิปัญญาผู้ไม่มีผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาสมาธิไม่เกิดไม่ให้เกิดให้มีได้ให้เกิดให้มีได้ผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาปัญญาไม่ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็ทําปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาเป็นนายหน้าของธรรมทุกหม้ ผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่เลื่มใสว่าพุทธศาสนานะทำไมจึงมีผู้เริ่มไสว่าพุทธศาสนาน้อยนะก็เรา ะ, ะบาลมีอย่างอ่งงานานอนต้องให้สมฐานันดรศักของพระพุทธศาสนนะาพระพุทธศาสนาเป็นของสูงเดี๋ยอะๆเอาดินสอมาเว้ยดินสมไหมพระพุทธศาสนานะไม่คนไม่ใช่คนจิตใจปา่าทวนจะมาเรื่อมไส ผู้สร้างบารณีแก่ก้ามาแล้วจึงจับผู้จับเื่องไส่พระพุทธศาสนาถึงจะมีผู้เร่องใสน้อยก็ตามก็มีแต่ผู้สร้างบารณีแก่ก้ามาแล้วคนมาเคารพพระพุทธศาสนาไม่ถึงศีลถึงธรรมมันก็ไม่เป็นเครื่องข้อปุ่ผู้ที่เคารพพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีศีลมีธรเป็นผู้เรื่องใส่นับถือได้ก็เป็นเครื่องของ้อปุ่นคนในโลก ตานนันลานโลกประจามถ้าไม่มีผู้ถึงสิ้นถึงทำเราไปอยู่คขาลงเขาด้วยเป็นเครื่องอบุ่นไม่มันก็ไม่เป็นเครื่องอบุ่นในสังคมหนึ่งสังคมหนึ่งมีผู้ถึงสิ้นถึงทำอยู่คนเดียวหรือสองหรือสามหรือสิบก้าามหรือร้อยกาว่ามตามถึงถึงจะมีคนไม่ถึงสิ้ถึงทำร้อยเปอร์เซ็นมีคนถึงสิงทำทำ้ทั้งทำเพียงสิบเปอร์เซนหรือยี่สิบเปอร์มันก็อบอุ่นถ้าไม่มีเสียเลย มันก็เหมือนสุนัขอยู่ร่วมกันกูกัดมึงมึงกัดกูใช่ไหมเราอย่าไปวิตกว่ามีคนรับถือน้อยทำไมแม่แรงพึ่งมีน้อยแรงวันนี้มาแมลงพึ่งมันตกใจไหมพวกเรานี่มน้อยนักเบื่อเกินไปเอาพัดแมลงวันมาเถิดมันว่าไม่มันก็ไม่ว่าใช่ไหมนั่น คุณหนคุณหนมาเอาอว้มามาทํามืออย่างนี้เนอะหนึ่งทำมืออย่างนี้เนอะทำทำมืออย่างนี้ น, ออนี่นี่นี่ั๊เลยไปเออเออกับเลยเออเออ เ, เอ อ, เ อ, อ, เ อ, อารกตาแปลว่าเด็กหญิงแปลว่าทารกผู้หญิงไปมาแรกทารกตา นัาาการสองพิาพพ้านองเกิดทอมท่องไปรื่อยู่แต่ที่ไหนนี่เดข้าหมูลาบฟังออกไหมล่ะไม่ออกทำไมออกนัาาการสองพิมพผ้าพีนองเกิดท่มท่องไปอยู่ไปเรื่อยอู่ที่ไหนนี่เดชคาภาษาภาษาอีสานสองพิม์ผ้าพีนองเกิด ท, มทอมท่องแม่ได้ตายอันเชื่อหมูว่าผาสมจบอยู่ในแก่กูสรา พิจิตรหาแม่บรรดาลําบากเพื่อรูกงง่ายน่ะอยากกินนุ่มแม่ท้องส้มหิวหอดแม่ทำผ้ารักสุดใจบัดนี้ตะวันใสระหอยยกทําค่อยค่อยแรกแม่ก็ขึงจนเหมื่อแล้วแน่แม่ก็ขึงจนแค่แล้วพอแม่ก็ขึงอนก็แล้วค่ยวอยแม่ก็ขึงจ น, นรอแล้วลําเมื่อก็ขึงจ น, นใหม่ตั้มแล้วหาเมื่อเห็นดวงตาคทำผ้าแม่ก็อวยหานั่งให้ผมขับหวานพอแก้มไทยเรียรา มุ่งส่วนตามเมื่อเศรเพรเขือเจ้าเพราะปากยอมแม้จะพ่อแม่หน้าคำภาษาจินตะเกอรีของพวกข้าวอีสานฟังดีเมืนี่จะไปกินตะเกอรีข้าว อ, อีสานแต่งเรื่องกริงให้เขือนเพื่อให้ไพเราะในเชิงกาเรื่องกริงแต่ว่าแต่งให้เขื่อเพื่อให้ไพเราะในเชิงกามันเป็นคําจริงไม่ใช่คำไม่จริง ห่วออกไปไา่นอกแต่เตรียนตะขอ้าราได้ผูหาเถาื่อนทำใจเล็กน้าได้น้องน้งพัดฟ้องหนีงองยัง่ายเลือกเนื้อคอยคอ ง, องลง ว, ว่างหนา้าอาจารย์เขาทองสายทั้งทีทั้งนองแล้วก็ไม่เีือบุญโลจักบุญโรจักเป็นคําภาษาบารีบุญโลจักอาวาหัวอกแทงกูแ ม, ม่ในหน้าเหมือนยังจะแตกจักทลายน้าน้ำไหลายคัดเคือง เ, เต็มตะเฟงทัางสองนางวัดที่นางวัดซีก็ให้หาลูก พ่อขัวทานลูกแลยละทานเลยมาถึงค่ำๆขนาดนี้ถามหาลูกไม่เห็นไม่พูดลูกของเราไปไหนลูกของเราไปไหนก็จะฆ่าลูกของเราไปไหนไม่พูดเลยเฉยไม่พูดทำหน้าสบายอยู่ไม่นะาทำหาเรื่องสายซ้ำเขียวคำเข้ า, ขขามาในห้อเงิน ด้วยรักสามีเดือนดาวดูราดูหนา่าดูราแค่ดีๆไฟจากหูใจหน้างมาที่กยินงนียบเยบห้อยมานั่งเลนห ล, ลากหลายประการใน่ฟ้าหิมะผ่านเหลีนหลากคือคนกาแล้วที่พระหน้าทอดพระเนี่นจรดในฟ้าใหม่เอาไกลแล้วกลาวมาง่ายแต่ทำขยับใจแล้วเมื่อพบว่ามีเกี่ยวฟัดยังนั่นนั่งก็ทกําการสั้นไหนไฟก็บ่ไม่หูนั่งเล่นสู้ไฟกับบ่ไม่เห็นเป็นชั้นไหนดูราพิษปากเบื้องโบราณนั่งลองข้านแกนเหงาบัดนี้ จะเปี่ยนเพียอมหนมาชี่ฟันเดอร์นี่จากตนใหม่เพราะว่าตนใหม่นั่นลม้มในกินาขาสาข า, าอันกว้างสร้างจักนี้จักเทือนเพราะว่าเทือนนั่นล้มยังไม่มหวงราชหงด์ราชหงด์จักนี้จากสาภาวาสานั่นลม้มในรองหวงผู้หญิงผู้หญิงจะหนีจากผัวเพราะว่าผัวนั่นลรมในสมบัติเข่าของอันกว้างยิ่งจักเป็นแม่หา้างแม่ไม่แม่ยิ่งจักเป็นแม่หา้างเพ่อเรียนสู้ครับดอกผัวแ น, น่น่าโอ้โหน มเม่ไใดแจหน้ามาที่เทนอห์ขโมยแล้วหมุนพลมาไว้หาเรื่องให้ส่งะั้นถ้าเป็นพวกเราก็ฆ่ากันตายอยู่ในที่นั้นอันนี้ไม่ฆ่ายั ง, ขงเขารัสามีอยู่เป็นภรรยาอย่างอย่างที่ดีก็เกิดลูกของเราไปไหนจะฆ่าลูกของเราไปไหนร่ให้กลับไปกับมาอยู่ตลอดคือถ้ายืดทางออกก็สิบห้าโยดโยดหนึ่งสี่ร้อยเส้นสิบห้าโยดจะมีกี่กิโล สี่ร้อยเส้นมันก็เป็นสี่สี่เป็น1ิบหกกิโลแล้วสีร้อยเส้นสิบห้ายอดเส้นสิบห้าสีเป็น60ินั่นวันหนึ่งคือหนึ่งเดินทางรองให้หาลุตนตนตวนสว่างตอนเช่ามาจกก็จึงบอกให้ฟังว่านาให้ทานแกพราม นะ้ววันวานนี่จงอนุโมันาเถิดเออถ้าอย่างนั้นทำไมแม่บอกได้ฉันปล่อยให้ได้ฉันหาอยู่ตลอดคืนก็สลบตายเลยสลบตายแล้วก็เป่าคืนมาเอาหน้าเปล่าที่หูคืนมาคืนมาแล้วก็เลยอนุโมนันาอนุโ ม, โมทนาแล้ว แนนท น, แนดินไหวสิแทนดินไหเลยหน้ามหาสมุทรก็ตีนองฟองฟ้าคำภาษาฝรั่งแทบหมดเทวราในชวงสวรรค์ก่อนุมโมทนาด้วยแต่พวกเราไมไ่ทำถึงขนาดนั้นหรอกเพราะพวกเราเป็นเป็นภูมิส า, าวกสาวกาไม่ได้ทำขนาดนั้น จะให้ทานรักษาสียงต่อนาพวกเราสร้างบา ร, รมีขนาดไหนถ้าเราบัญชาธนาเป็นพระสมาชิกพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีเท่าภูเขาเหิมาอลายจึงได้เป็นพระสมาชิกพระพุทธเจ้าเที่ยงพวกเราสร้างภูมิสามกเป็นพระหารสาการพลานเท่ากับเมล็ดงาเมล็ดเดียว <c oughs> ถูกไว้หอไกลกันมากไหย ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นจุกในโลกอันนี้เราก็ไม่ต้องหนีก็ต้องอยู่นี่ละจนมันเห็นเป็นทุกข์เมื่อมันเห็นเป็นทุกข์แล้วเราก็รีบปฏิบัติเพื่อออกหนีซะถ้าเรายังเห็นว่ามันเป็นจุกสมควรอยู่เราก็ไม่ต้องออกหนีทําไมเราจึงเห็นว่ามันเป็นจุกสมควรก็เพราะบารมีของเรายังไม่แก่ฆ่าเพราะเหตุไหนเราจึงที่ง่ายนะเพราะเราเหตุเราขาดการพิจารณาอันนีิจะ แล้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเที่ยงน้ำยสดัเสเสริมเข้าใจเราเป็นของเที่ยงเกิดมาแร้วราเข้าเป็นเพราเข้าใจเราเป็นของเที่ยงมันไม่เที่ยงมันเดินไปหาสู่ความตายอยู่เนี่ยที่สุดของแต่ละชาติก็คือตายตายแล้วก็เกิดอีกนตายแล้วก็เกิดอีกตายแล้วก็เกิดตายแล้วมาอยู่ก็ตายแล้วมันไม่จะพัฒน์พัฒน์กิเลสตายแล้วมาเกิดอีกแต่พวกเขา ตายแต่ร่างกายเกิดกิเลสยังไม่ตายมันยังปพัถนาอยู่ไปเป็นเตดก็ไปเกิดเป็นเศษไปนรกก็ไปเกิดในนรกไปมรรคก็ไปเกิดในมรก็เรียกคําว่าเกิดเหมือนกันถ้าไปสวรรค์ก็เรียกว่าไปเกิดในสวรรค์ถ้าไปพรหมรลกก็เรียกไปเกิดในพรมลกก็เรียกว่าเกิดเหมือนกันสิ่งที่ไม่เกิดไม่นีก็มีแต่พระอรหั์จําพวกเดียวก็ไม่มาเกิดแก่เ็บตายอีกครับ ก็าเห็นว่ามันเป็นทุกข์หายใจเข้าออกอย่างนี้พระอรหันต์ก่อนท่านยังไม่ตัดเชรูท่านก็เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆถ้าท่านตัดเชื้รูดแล้วก็คาดว่าก็เห็นว่าเป็นธรรมนาของสังขารและวามทุกข์ท่านเบื่อหน่ายความหลงของตจนไปแล้วชนะความหลงของตจนไปแล้วอยู่เหนือความหลงของตจนไปแล้วแว่พวกเราความหลงยังรัดคออยู่ ย, ย่นคั่มนับในทีเด็ดมันหรอกใส่ฮั้นคว้าฮันอยนี้เราก็แสงมันได้ว่าเวลาไหนเราแสงมันได้ตู้ต่อตู้มันได้เวลานั้นเราก็ภาวนาว่าให้คามว่าอาสัจิตบ้างภาวนาบ้าที่เราฝืนมันอะไรตอนไนห้เราฝืนมัไม่ได้เรไปตามมันฝืนมันว่าไปตามมันบ้างบาลีมีแจกล้ามาไล้เขาเลยไม่ตามเลยพระโสดาบันไม่ตามเลย มึงอยากมาชวนกููตั้งหน้าเดินมันพระสวรุวัรณว่อย่างนั้นที่จะอยา บ, บ, บชวนพสวันไม่ได้โรคยางยาชวนไม่ได้โกรธยางหชวนไม่ได้หลงอยางยาชวนไม่ได้หลงยาค อ, อะไรไปถือศา ส, ราสตราอินเถิด อ, อย่างนี้มันกนน็ิ๊มันพระสวรรณเาไมไปนี่เรกว่าหลงอยางยาโกรธหยางหยาบข่ามันไม่มี กูก็โกรธอยู่แต่ว่ากูไม่กลองเองถ้าเคยได้ทาเขามาแต่ชาติก่อนแล้วก็จะซักถ้าเขา่าขอไฟไฟแล้วก็จะักเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งนี้เป็นเรองินไทยจริงก็ไม่ใช่ได้อย่างงงานาจิบาตรก็เหมือนกันอธินาทาก็เหมือนกันกาเมฆชีวิาจารก็เหมือนกันโดยเาความพระโสดตะวันไม่ใช่ได้อย่างว่าหลวงพ่อเยไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสตราสตร์อีไม่ใช่ได้อยากจะซืออยู่โยงภูมิแล้แล้วไม่ใช่ได้อยากจะซือโดยพยายามดี ไม่เชดายอาะ้ก่วกัาหารคาขาก็ค้าขายสนั้น together, ไม่ store, ับเาป unda, ียการ้าายน้าายาพิษไม่เฉดายเลยพระตัวดำสิ่งนั้นไม่เยดายสิ่งนั้นก็ไม่หลับใยจะภาวนาหรือมาภาวนามันก็เป็นภาวนาอยู่ในตัวพระไม่เยดายระมัดมืดในเกณฑ์จำยามแล้วมีหน้าที่ตั้งหน้าไปสู่พระ涅槃ให้การรักษาสิ่งภาวนาภาวนาอันไหนพอดีก็หวังเพื่อคนทุกนายพระจะงสารเท่านั้นไม่ได้หวังเพื่ออันอื่น เ่นี้พระคุณออกจากนี้จะไปไหนฮะนุ่งอาหารไปวันนี้เออถ้าอย่างนั้น่านพอนะเดี๋ยวจะข้ามวเานีิวารหาพลาราบริบะรสนนิยมเาัังจตรจตินมรนรนริรริยธ ก็เนที่วานกองรู้ว่าราภาวนาเพื่ออะไรเพื่อสุขสันต์สากว่าทางวกราาทางศาสัมานาิฌานยนุารวตาวัตันตีย่วันยุตรัดจัดจิดื่มน้ำซไม่ต้องจับหัวก็ได้พุทโธธโมสังโกมุทโธธโมสังโกไปจับหัวก็จับหัวใจเพื่อไรถึงว่าพุดประสงค์นั่นเองถ้าถึงว่าพุมประสงค์ล้วไม่จาจับก็ได้เราต้องเป่าหัวก็ได้ พุทโธธรรมั้งโกเอออ๊ะพุทรัโก้พทรั้โรมักทรัโทรมัทรัโทรมัโทรักไอไบูีส้อมาแล้วจะถูกกินปากพุทโธธรรมะทั้งโกโอาา เป่ามให้ลงถึงใจให้ใจถึงว่าพุทธธรรมาสมให้ใจถึงว่าพุทธธรมาสมแล้วไม่เป่าก็ได้คนหนูอ๋อแ้วเก่งเอา้าอธิษฐานอะอยู่นี่ล่ะปพะพุทธเาพะุทธองคเป่าหม ว, วลองถึงใ ไ, ไม่ใช่เป่าแนี่ยเป่าลมเป่าให้ถึงว่าพุทธธรรมผสมถ้าไม่ถึงว่พุธธรมาสมจะเป่าจนมดลมก็ไมกก่ก็ไม่มีค่า ก็ดยอดเจ้าคือเพาพุดมารําประสงค์นั่นเองถูกไหมผู้ชมทําหมดไปทำไมไดก็อย่าเสียใจเพราะเขามาอยู่สบายพรมาาบอลไรมั่นวล่มมมากล่มมาแต่ได้เดนเจนขึ้นโอ้เจนแ่เรือขนาดแล้วเขาปินทั้งคางใส่ร่มเลยเขาปินทั้งหนาใส่ได้เยขึ้นมาก พิ้นทั้งน า, นนางใส่กับเซ็ตเลยอ่พิ้นทั้งนาใส่เต็มขวยอยากขวัยอยมากขย่อยมากข ว, ยยวยยัญเลยเฮ้ยเสียงหูเสียงกรร <c oughs> ่ำอออสภาวกาคำวินัมุตโตสภาวสันตภาพวิเชโตสภาวิเดมาทิกันโตสุตโตสุตองสภาวสัพยสุตโยวัจจะสัพโรภูมินัสตมาติปวัตวัน จรายโยตีสีชาย์ะโป้ออภิวาสนาศีฐานิจาวิชาปิชาวินุจตารรมาวัันติอายุวันโนสุขังภะระไปสิเมย์เมย์เมยเมย์ต้องปูกระดาษับนะเรื่องมากกระ่นดังก็ใบสามผลจนขับพัดมันก่อนไปจิดก็คือกันอยู่ซื่อยุบได้เนื้อคันเนื้มันิ่เนื้อขาคนชุกมัน บ่ได้อันนี้กับเนื้อแปนี้บ่ได้อันนี้กเนือกอปะนัน่นเนี่ยมกาเท่าไหรกเธอความืนเขื่องสันจรของโลกของตัที่เจ้าแต่พาหานพนเนืิดมันมึงไม่โทษคือเฮา เทานีนนนานน่นึกไปทั้งดีครับข้อมีก็ตามคิดไปนัางนึนกไปทั้งตัวควมสัวกรตามคิดไปนํางเพราะควบเนี่ยเขาคิดมันยังไม่เหตุม่ผ ล, ลยังไงง่วงพ้นนึกไปทั้งดีกับพอดีพันทาพ่อแล้ว นึกไว้ทางซัวควอมซัวเป็นเขาเป็นพล้าแล้วแล้วเขาเป็นแต่สักวันหนึงซื้อเป็นเคือบินในอากาศนัไไนไม่ห้อยแล้วเท่านี้ไวทังไรไม่ห้อยพร้อมกาทั้งดีก็เป็นห้อยองค้อมดียว่วใจคันนึกไว้ทางซัวก็เป็นห้อยความซัวไม่ยืดดวใจชงเงสรหมทางซัว ทงเสด็จไปทั้งดีก็เป็นห้อยทั้งดีไปยุ่งยิบยุ่งใจเพราะเนี่ยเนื้อไปทั้งดีทั้งตัวทั้งกกางๆเนี่ยก็ไ่ได้เปลี่ยนไปไม่หุบไม่ห้อยคือมีดเช้านามก็ไม่ห่อยคือรับมินนี้อากาศก็ไม่ห้อยเพราะยังคนปนจากดีจักฟัวไปแล้วนี่ก็ทั้งดีกับเป็นกุศลไปทั้งดีเฮ้ยนี่ก็ทั้งตัวกับเป็นทงเสด็จไปทั้งฟัวกับเป็นฟัว นึกไปทางกามั่ววิทกข้อติไปทางกามผลของการมาหาใจนึกไปทางพยาบาทวิทกคข้อติไปทางพยาบาท น, นึกตึกรองกองไปทางพยาบาทผลของพยาบาทเขามาคาใจนึกไปทางเวีเบียนควบผลขวาเวีเวีย น, นเขมาคาใจนึกไปซื้อว่ามีเกจตระหนักจะทาขายนั้นเป็น แล้วตัวนู้นเนอย่างนี้แล้วที่มีสติอันตัวนี้นิดนี่เอาตัวนี้จ่อมาหามาตัวนี้นิดมากกขท่องไปเรื่อยก็ใส่หน้ามาที่หน้ามาที่หารุหัวลักท่านหัวลักท่านในภาพบักแต่เฮ้ยวางเม่สาวจะวางให้ฟัง ไปหายกันนะขบันเท่ากับขากันต้ายขากันตายข้าวผู้เลยมันโม่ห่ออันเดียวก็รัวเขาเด้รัวเขาได้หนุบเหือยหมดอะม่ห้อเน่ยขากันต้ายข้าวผู้อุ่นตอนเข้ารบกันตอนนั้นจังได้ว่าเป็นพระละหันน้ำกันสาสตร์เป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นพระละหันน้ำกันเพิ่นกะไรทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าที่เขาสู้เขาเนว่าผู้อัวก็เป็น อาถรตะสมาชิกุธเจ้าผู้เมียเ็เป็นอาถาตะสาวิกาฮักลูกนี่เหมือนเสอยผูกข้อฮักเมียนี่เหมือนผอผูกซอกฮักวัตถุเขาของก็เหมือนปอไฟตีนกิเลสตัณหาสามอันมาเขียนผูกไว้ในวัฏสงสารจึงได้หายธานแก้ผ้าม้านาจารย์ผู้เถ่า มคนควยเต่าเขามา่าจะว่านว่านรี่เนี่ยขอพี่ได้หน้านย่างับนต้องเวทันโดอนุโมทนาสาธุการนั่งจงอนุโมทนาสาธุการซะออาาร เ, เพาาาระาะห น, น้อนุโมทนาสาธุการแผ่นดินดานไว้วันฝ่าสนันเท่าถึงพุ่มนำหาสมมติกฎีนอฟองฝ่ายพระจารอนุโมทนาหม่อนุโมทนาสวไว้ยจะเขียนก็บอกเลยนะป่าหาอ ย, ยู่ก็ดองสันน้า มัดขึ้นมัดวันเน่ยทัมอันนี้กับพระบาทพิเยู่ขันอตั้งแต่เมื่อแรกวานี่กับเสียโมทนาตั้งมือแรกว่านี่แล้วโยธาเนี่ยป้ายพุค้าหายมัดขึ้นมัดวันเนี่พดรอกโยาคันน้อาน้องกันล่อยๆอยู่เเห็นหาลูกว่ามัดขึ้นมัดวันนี่ยสลบเท่านี้บาทเลยตายชนะหัว นางพระเวทท่านโดนแม่กอดีตนวตายมาละนาดใจก็าขาดเพราะยังยุวงวววนะวกะหาวะเราะหน้ามาเปาในสติเขาลุกขึ้นอันที่ว่าจะฟังจะมาว่านี่ ามามนเมืองไอ้ก็จะมาสรบตายก็เป้าก็ขึ้ น, นออได้อ่ะวันี่เรายอดที่สุดเลยเนี่้จังวัดรายความกระเทาะจังวันะวะจัเชื่อหาไปหาไม่หันหาของเก่าอย่าหันยือดออกทีไรทางเสียพานงมวันนั้นเป็นวันเสียงเพื่อนขายพรตกที่สองซ่า ตาท่าวันนั่นเป็นวันเจียงเครื่องไฟพองทุกที่สองสาราตาท่าวันนั่นเป็นวันโคโควสดปัญะรษะปัญะรษะแปลว่าวันชิพหาคำเมื่อเรียนเจียงเครื่องไฟพอคือมัเท่างอว่ามันถือมัธยกันว่าอะไรมันถือมัธยกัรว่า่ะกรเดี๋ยวไปสุดที่ไหนท่าน สเด็ดไปที่สี่เดี๋ยวไปถูกผมบบานไปไเห็นวัตถุศึกษาวัตถุควจะทามาทรงวัตานเอาเป็นที่พึ่งที่พื้ที่พื้นที่ปูสรางวัตถุือระึกได้รึกได้พอดีวัผูุาจองขาดให้ตั้งสัจจสถานในสัจจสัจจกตังไวสัอัจฉรกระตังไวยสัจจความจริงใจเคื่อเพืชสิงอะไก็ให้ได้จริงอัจะธคือทําที่ควรตั้งไว้ในใจสีอยา ปัญญาพระรู้สิ่งที่ควรรู้สัญจะควรจริงใจคือพึจิตงในคนดควรมะไรจริงชาค้าสระสิ่งที่เป็นค่าสุดแก่ความจริงใจคือปัสสะหนุกใจสามสิ่งที่เป็นค่าสุดแกค่ความสงบพระอาจารย์อธิษฐานกล้งไว้แล้วเอาไว้ก็ไป็นคู่ชีวิตด้วยตั้งไว้ในทางที่ควรตัางทางที่พวกควรตั้งกับประตังควรตั้งไว้ในพราะพุทธะท่านประสองค์อันทั้งควรตั้งควรตั้งไว้ในทางที่ผิดจะไปตั้ง ยาั้นกูก็จะไปฟูข้อตายแล้วสั่งแไม่แน่ตักมันว่ามีเป็ประโยชน์ยานั้นกูก็จะไปคาเพื่อน้วสั่่าไม่น่ตักต่างซังสังต่างซัรงทั้งข่นหยีพระพเจ้าทรงเสริมต่างซาดรงทงข่มซัวพระพุทธเจ้ากรพุทธพระพุทธเจ้าพระทรงเสริมอธิษานอย่างไรสั่งอธิษานทั้งข่มัวพระพุทธเจ้ากพบว่าทรงเสริมย่างน้กูจะ่มซัวให้ได้พระพุทธเจ้าเพราว่าให้ัว่าให้ตักไว้ไวตักสัดไ สัจจะปรมัตถะรมีสัมปนุตเสียชีวิตด้วยสัจจะก็ตามพราะยอมยอมตายต่อความาสัตว์วเส้ยชีวิตเมือวันอธิษฐานก็ตาม่นองกายก็อความอธิษฐานนี่หมความว่าอธิษฐานอะไในทางดีอธิษฐานตว์อะไรในทางดีท่าสัวพ่นวาเห็ดวันไหนไมีพระภูตาธรามาสะสงค์เ ด, ด็กคนดูความพอใจหร เพนั้นบานนาไปทร้างเจริญเพราะอไรว่าเอาพระพุทพระธ่ามพระสงฆ์ว่เอาธานุศิลภาวนาว่าเอาคุณพ่อคุณแม่ไว้ขับเคลียขับใจเพราะนั่นมาเจริญคุณพ่อคุณแม่คุณฐานภูมีเนคุณคุณผู้บ่าอาการย์ค <painted vậy> no ุณเทวดาพระอื็นพระพุทธพระยศพระการจะสรุปประวัติทั้งสี่ตลอดทั้งสันพรมีคุณเป็นเมืองขืนของคุณพระพุทธพระธรรงพระสงฆ์หม คุณพระพทธพระาประสงค์กับเป็นเมื่อเป็นเมื่งข้นของพรนิพานคุณพ่อคุณแม่กับไปร่วมกันดกวยว่าแสลงคือแกงมอไนน์เนี่ยของออกการสมาชีวิตตอคุณพระพุทธพระธาประสงค์เลยวกัเท่ากันครับสัวทั้งไปรวกันด้วยมันย่องถึงกันเนียทั้งคนดีทั้งคนสัวกันย่องถึงมรหกคนทั้งคนดีคย่องถึงคุณพระุทพระธารสง์ถึงพรนิพานมูไมูบ้านมูคนสัวกันย่องไปถึงมรรคหกคน ต้องพยายามทำจิตใจให้บันเทิงในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าทำจิตทำใจให้บันเทิงในการทำชั่วก็เป็นคำสอนของพญย า, ยามาไปทางนารกมันจะมีสองทางทั้งดีทั้งชั่วคราบมิอิจฉะ และทางทำดีมาหามีอิสระทางทำชัวท่านดีกัปบปิวกดียุยใจท่านสักวก็บปิวกชั่วยุยใจไม่ได้บวกเกินสาอากาศท่านดีก็คือต่ออนุของคนดียุยใจท่านสัวกับต่ออนุคนชั่วยุยใจจะเข้าพยัญชนทำดีถ้ามีอิสระทำดีวคนดีคนชัวเกิดขึ้นจากเข้าเป็นผู้เฮ็ด เข้าคือใจใจคือเห้าตามสมมติไม่ได้เศษบ่าไรมันปัญหาเกิดอีกอย่างหนึ่งบางตนสอนฮัละสัวทาดีฮละสัวพ่อาำดีพ่อเลี่ยขาซูพนิพานดียังพานพ่อชัวขา่าว่ัว พ, วพนิพ า, านว่าไรท่องเที่ยวในวาัตาต้งสารหนึ่งนะ ถ้าบุญกระบนโตอายกของบุญเยใจถ้าบาปกระบนโตอายกของบาปยใหญ่นี่มาสงสัยเลยมุญมืออไไรก็ท้าบุญคูอายุมือถ้าบาปมืออะไรก็ถ้าบาปครูอายุมือล่ห้อ่างน้าน่าเข้าใจไม่เข้าใจว่าเป็ไงว่าเข้าใจถอดางเนี่ยตือนพาหานทั้งนึง เฮ็ดบุญกับสร้องบุญรู้ใจเฮ็ดบาปกัสร้องบาปรู้ใจมือตากับสร้องเหงหงมืดตาเข้าใจไปผู้มืเนี่ยใจไปผู้งักเนียก็ไปสร้องใจเรือมืดตายมันรงหงชักเยมันร่วงงชักมือตารับต่ายอ่ะมีตามันกับผร้องชักมหัวมันกับผู้หงชักเพราะมันไม่หน้ามันอยหังเปมันเป็ดสามควใหม่แล้ว ถือว่ารามาตายังข้ามพันธ์นองาั้องมีอิสรสาพจากกรทบุญในที่ว่าการทาบุญมันก็มีสิบอย่างยาวพิสราถ้านทำไมันสมเด็จด้วยการบริจาคทานข้าวหน้าโภชชาตอาหารตามใจตามมีนับจะเข้าไม่ทาา้าปักเ ส, ส้นหนึญญสส่งขึ้นไปชีลทาไมันสมเด็จด้วยการรักษาศีลรักษาตัวสั่งแค่งูหูดำดีกดีหรือเป็นนิดกดี ภาวนาไปมุนสัมเด็จด้วยการเจริญภาวนาคือฟุตโทกความหนึ่งเสียกับมีคาถาโมฆะกวามนึ่งเสียกมีคานําโค้ะความนึงกัมีคาคอยบวกช่ยดียวใจสามครามขอนขอนเสี้ปนระตูเสีทํางหมดอัปปะจัยนะมามุนสําเร็จด้วยกา ร, ราาฟืดถอมตนแกผู้ ใ, ใหญ่หายเจียรติแทนอดผู้ย่อยผูโตสูออก็อายุก็ดีสูงออก็ความรู้ก็ดี อย่าย ว, ว่อัปปจารย์ไไัไมบุญสเร็จต้อการช่ยตอบตัวอย่าู้อ่งมบุญมุดกองหนะึงว า, ายวัตรทไมบุญสาเด็จต้อการช่วยวขวนขวยในจิตที่ชอบของหาจิตวิรั น, นี่มันสอบก็บเป็นบุญอันหนึง่งเอาเร็ดลงไปวัติทานทำไมาบุญสาเร็จต้อการให้สวนบุญ ถาบุญเนี่ยเาอุทิศหาผู้นันผู้นีวยตายไหใจใจ้วยใจขอให้ถึงผู้นั่นผู้นี่ไหวทงใต่โลกระถาดเออไหังคอทั้งแม่ทั้งเพียรทั้งนอกผู้ร่วมรับรับการไปนึกไปใหิสั่นเขาเดียวเขาปฏิท่าหน่อยบุญทั้งเรียนทการให้ส่วนบุญปับตาอนโมธนาไมบุญทั้งเรียนทการอนโมธนาส่วนบุญในยินเพิ่มท่าบุญเทากมีวัตมีวัตถุอะไเทากับเพาะขมคนม่ามีวัตถุอไรเาก็นึกใม่ใจขอ โมโนทนานด้วยวกันเกิดอยกว่าพัานาโมทนาไม่มหมดทําเดียวกันโมทนาเสมอธรรมสวรรค์ไมา่บนทําเดีวยวการฟังธรรมคือฟังรรมอยู่เดี๋ยนี้ก็เป็นบุญธรรมเทศนามม่บนทําเดีวยว ก, การแสดงธรรมการแสดงธรรมก็เป็นบุญนะเนื้อ คือห่าวอกรูห่าวร้านก็เป็นบุญนะย้าไปเฮ็ดกันสันมันบาปย้าไปเฮ็ดกันสันมันเป็นอันตรายเฮ็ดมันไม่นด้มันบันเป็นประโยชน์เฮ็ดไ้เฮ็ดเนี้ยมันเป็นประโยชน์นี่ก็าเรียกว่าถ้ามัดชวันนาไวุ้นสาเร็จการให้ส่วนบุญคือกันโอ้ถามาเทศนาไว้ยุญมเร็จตัวการเทศนาือกสอนให้ละชัวทาดีการทำมาหา้อย่างชีวิตก็คือกนรย้ําไปเล่นเล่ยย้าไปเล่นพาย้าไปเล่นมัดย้าไปเนมือ เป็นือโก้ือเกๆๆด้หรือวยางรล่ะเนี่ยมห้ดดเพื่อนเนีย่ยหรือพียอย่างไรเอ่ยอันนั้นันียกวมาถ้ามาเทศสนะให้บุญสมเร็จกระเทศสนะสัให้บุญอะไ น, นกับบัตรอพระพสนาธรรมมาเทานังขาเทีให้ทาอะไรเป็นทานให้อะไรเป็นทานก็ไม่เทให้ทาเป็นทานให้ทาเป็นทานไม่อันนี้สองหมากก็โม่อ่วแหรสว่วทำดี เนิารคล่องเจียวอการเนิ่นข่านอ้นใดคือการเนิ่นมนุษย์สมบัติก็คือกานแ่นสมรรถสมบัติก็คือการถ้าในเป็นทาตุมนุษย์สมบัติไปทางสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติเน่านสมบัติด้วยมนุษย์สมบัติอย่างเต็มที่ก็คือให้เว็นขบายมุกก็เป็นสวรรค์สมบัติอย่างเต็มที่กับเป็นพุมสมบัติอย่างเต็มที่ก็เป็นเพ่านสมบัติอย่างเต็มที่คือกันขันฟีนมนุษย์สมบัติกับฟีนสวรรค์สมบัติกับฟีนพุ่มสมบัติกับ พนิพพานเข้ามาด้วกันอบายยมุกทุกประเภทเวินเป็นมนุษย์สมบัติเด้่ยมันเป็นวัตถุนิยมและอุดมสติไปในตัวเนี่ยมันเป็นพัฒนาไปในตัวพัฒนาเวนอบายยมุกมันก็เป็นพัฒนามนุษย์สมบัติไปในตัวมันก็เป็นพัฒนาสวรัตินี่ยพุ่มเละนิาพานไปในตัวความส่วนพระเจ้าอันอนี้ขอซิปอันนี้ทิฏฐุชุกกรรมการทําความเห็นในตรงทาความเห็นใ้ตรงนี่คือทำยังไง บาบมี่บุญมี่มลเ น, นี่บ้านมี่คุณพอ่อคุณแ ม, ม่มีบุญมี่มรค น, นี่พล า, าดม่ทำดีได้ดีอยู่ในใจทำซัวเดี่ยซัวยใุนไ ใ, ใจเสื่อโรางสัตวเรียกว่าทิศทุกขถูกกรรมการทำความไ น, ในื่งตัวอันนี้ก็เป็นบุญกองนึงเด้อเสดระย์บุญเด้อหนึ่ ง, ง, ง ท, าาาท่านทำไมบุญสำเร็จจากการบริก า, ารอธิบายมาแล้วชี้ทไามสำเร็จจาการนักศาสนาอธิบ ถ้หนา <eps> ไม้บุญสมเด็จวยกาเบริเกณ์เจริญพรนาเนี่ยนีอัปจ า, ายหนาไม้บุญสมเร็จด้การเปิดอดตนแก่ผู้ใหญ่สาอธิบายไปแล้วั้าวายาวจาทำไมบุญสาเร็จด้วยการช่วยขนไถในจิตที่ชอบจิตธุระนี่มันชอบมันมาปีนเกี่ยวมันมาทำให้จิตหายจิตธุระันี่ยควรทำจิตธุระที่เียนบัสเดินเบอร์เดินโบกเดินเบียนจิตธุระมันดันเว้น ปฏิทานอะไรุตเสด็ลการให้ส <of lleva> ่วนบุญถ้าบุญแล้วอุทิศฐานเพื่นปฏิทานอโมทนาบุตรเสร็จแลการอโมทนาส่วนบุญเงนเพินทั้งบุญอโมทนาดี้วอโมทนาสาธุอาจารย์พ่งเนี่ยนาเาะน้ำเขานี่ยเพาะน้โมเขาเพราะโมเขาลูกอื่นเนี่ มิได้ใจเข้ากันบนวัตนาธรรมะสวนทำไมาบุญธม่งการฟังธรรมเราฟังธรรมเทศนาไมาบ่บุรรม่งการแสดงธรรมคือผู้ข่าวว่าเลาี่ยคิดถกกรรมการทางความเห็นในตรงเห็นระบาดีบุญนี่รักคนนี่พาดนีม่มีชิบตะตูทางบุญ ไปผูกเ่าอันไหนไปผูกอเล็ก ห, ออาหาก่าอะอีกเลยวิปไไววดอีกห้บาทพูนึมุห่หาทั้งิ้นทั้งทพูนึงไปผูกอเล็กขวายมันกรพาปานเอาข้ามสอนพระตเจ้าไปยัดจังหวะขี่เดี๋ไงบอกว่าอัพูนึงบใครแฮดดีพูนึน เอาคมสนรจไปยัดเท้าวุนเสียวันหน่าไม่ไปดูตกใจหมดตกใจตัอน่ายิ้มเนาะตกใจว่าจะยิ้มหมด่านัดนเนี่ยเพื่อนบอกว่าไปไล่กับอไรนี่านัดบัญชีบอกอันนี้เราไปไลซื้อว่เห็ดมึงก็บอะไรไปโยนได้ว่าเห็ดงาเนี่ยเห็ดไอศชีส่าอ้ยซื้อว่เห็ดเากมันเกาเ ไม<พ><ด>่บอกออกไรล่ะเขาไล่บอกไล่ไปรถปูอภาดให้กับเรียนนี่มือนให้รถปูพูดนานช่เกิดไปในพ่ออนอนนท์ยะ ยาชาวาลีวังสาริิริสังเยนน้เปตานุคคาปินิจิตมังตุมหักเมื่อวันเสดสเพปเรสปายนนรสโอยาามหลโยาสโยจุโมาเวัดชนโยติกาโยโออภิวาสนสีฤทธิจันทังุตตาปชาญาณุจัตรมาว่าทานเยวโณสุขตสุข อืมได้กันชุกๆนะ